เหมือนมือขวาล้างมือซ้ายและมือซ้ายล้างมือขวาฉชนนั้นคำตอบจากกระทู้ในลานธรรม7ตุลาคมพุทธศักราช2542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 และโพคันครท่านพระอานนทุนรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วไปยาน้อยลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่เสด็จถึงโพคันครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอานันทเจดีในโพคันครนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า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 พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จํามาถูกต้องแล้วดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้จากเนื้อความตามพระสูตรไล่มาจนถึงข้อที่สดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศทั้งสี่เหล่านี้ไว้ชะนี้แล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 คำตอบจากกระทู้ในลานธรรม1ิเอ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสีสิบสองถามได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูจิตช่วงแรกก็เห็นเฉพาะผัสสะที่แรงๆเช่นโกรธหรือชอบมากๆต่อมาตั้งใจประคองจิตให้สะอาด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 ดูกระภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียนในอันเจริญอาณาปณสติอยู่ไปยา น, น้อยดูกระภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติอันภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุที่เจริญอาณาปณสติแล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทำให้มากแล้วย่อมบาเพ็ญพุทชงเจ็ดให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญพุชงเจ็ดแล้วทำให้มากแล้วย่อมบาเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ไปยา น, น้อยหมายเหตุตรงนี้ท่านใดที่คิดว่าอาณาปรรณสติเป็นแค่สมถะขอให้พิจารณามากหน่อยนะครับว่า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 ว่าเราจกระงับกายสังขารหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจกเป็นผู้กาหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจกเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจกเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจกเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจกเป็น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 นิตยาศารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่28อา่านโดยอนุสรณ์รีโซภ า, า, านำพากรรมชั่วดีสร้างเขาหลอกหลอนในตัวตนมืดมนต์ท น, นเหนื่อยายากเห็นด้วยแรงพยายลวงตา ห่งลปลาใช่ว่ามีรู้สิ้นแต่แปลพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดา